เมื่อเช้าพอรู้เรื่องไหมพวกที่มาเรียนได้ข่าวว่าไปรับสมัครมาจากสาราลุงชินไปฟังหลวงพ่อที่สาราลุงชินมาแล้วก็จะเข้าใจง่ายจริงๆที่หลวงพ่อเทศไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องเปิดเผยตรงไปตรงมาเลยเรื่องของสภาวธรรมล้วนๆ อ, อยู่กับตัวเราเองแท้ๆเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่ค่อยมีใครเ้าสอน ของธรรมดาธรรมดาเลยกลายเป็นของหาฟังยากเมื่อไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ยินนะรู้สึกว่าประหลาดแปลกใหม่หลวงพ่อสอนเรื่องขันห้าเป็นไตรลักษณถ้าคืนบอกว่าตรงนี้แปลกใหม่นะไม่รู้จักศาสนาพูดละไปดูพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยเรื่องขันห้านะเป็นไตรลักษณ์พระสูตรสําคัญสําคัญกับเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละดูสภาวะให้เห็นไใจลักษ ในควาเป็นจริงเราจะดูเป็นขันห้าก็ได้ดูในแง่มุมอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูเป็นขันห้าการดูเป็นขันห้านี่มันมเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกนี้ถนัดดูจิตในขันเนี่จะมีรูปเป็นหนึ่งมีนามทั้งสี่ขันถ้าคนไหนเหมาะกับการดูกายจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่เป็นส่วนของรูปใจเป็นอันเดียวนะเป็นส่วนของนํามนี่มีแยกรูปแยกนามอยู่ดีแล้วหรือไม่ชอบตรงนี้จะแยกเป็นาธาตุก็ได้าธาตุสิตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชธรรมรมวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมแล้ว6กหเป็น638นะอันนี้คนไหนชอบ รูปเยอะๆนามเยอะๆมาแยกเป็นธาตุ8ยังแยกได้อีก3แบบนะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกนะมันเยอะไปมีอินทรนะีย์22ดูเป็นอินทรีย์22ก็ไดนะ้ดูเป็นอริยสัจก็ไดนะ้ดูเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็ได้รวมแล้วมีปั ส, สนาภูมินะภูมิที่เกิดของวิปัสสนานี่มีหขันห้า อายตนะหกท่าสิบแอินทรีย์22อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท12 12มี12 12องสิไฟเกิด12บสองไฟดับ12บสองเงินเยอะแยะเลยนะธรรมะแต่ว่าไม่ว่าใครจะภาวนามาอีท่าไหนก็ตามลงท้ายจะไปแจ้งอริยสัจแจ้งปฏิจจสมุปบาทถ้านะไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งปฏิจจสมุปบาทยังเวียนว่ายตายเกิดอีกถึงเป็นพระนาคาก็ยังไม่แจ้งอริยสัจ ยังไม่แจ้งปฏิจจสุบาตทั้งหมดยังเกิดอีกนะงั้นมีเรื่องที่เราต้องเรียนนะแต่ว่าถ้าดูแล้วแหมตั้ง 6, 6อย่างขัน5อายตนะ6กธาตุอินทรีย์22อริยสัจว์4ปฏิจจสุบาตสิ12องนะ24บมีเยอะฟังแล้วเยอะฟังแล้วน่ากลัวย่อลงมาได้ไหม ย่อลงมาเหลือสองคือรูปกับนามในขันห้าแยกออกไปก็เป็นรูปกับนามในอายตนะหกแยกออกไปก็เป็นรูปกับนามในท่าสิ18ก็รูปกับนามในอินรีย์22ก็รูปกับนามในอริยสัจก็มีรูปกับนามปฏิจจสุบัทก็มีรูปกับนามถ้าไม่เรียนอะไรมากก็เรียนรูปนามรูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ใจเรานั่นแหละเป็นนมามธรรม ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่หลวงพ่อใช้คําอย่างนี้บ่อยๆนะหายใจไปร่างกายหายใจไปนี่รูปมันเคลื่อนไหวนามก็คือใจเป็นคนรู้นะีรูปกับ น, นามแยกออกจากกันอย่าให้รวมเข้าไปด้วยกันถ้ารวมเข้าไปด้วยกันตัวเราจะเกิดขึ้นถ้าแยกกันแล้วก็จะเห็นแต่สภาวะตัวเราไม่มนะีเป้าหมายแรกของการภาวนาของการเจริญปัญญาเนะมื่อเช้าบอกไปแล้วว่ามีสองระดับนะ เบื้องต้นเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเบื้องปลายเพื่อล้างความเห็นผิดว่าขันหเนี้เป็นของดีของวิเศษในความเป็นจริงเป็นตัวทุกขนะ์ถ้ามีปัญญาเบื้องต้นจะเป็นพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องปลายเป็นพระอรหรันตะ์ก็มีแต่รู ป, ปัน า, นามอีกนะก็มีแต่เรื่องรูปเรื่องนามอีกดูลงไปตัวเราไม่มีรูปไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเป็นแค่สภาวะเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเป็นอมาตะถาวรนะไม่มีอะไรที่เป็นอมาตะเป็นตัวตนถาวรไม่มีเลย ถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็ได้โสดาบันงั้นเรามหัดภาวนานะมาแยกธาตุแยกขันธ์ดูแยกตามถนัดใครถนัดแยกเป็นขันธ์ก็แยกใครถนัดแยกอริย تنا ก็แยกใครถนัดแยกธาตุก็แยกไปธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุโคลาอันกันธาตุดินน้ำไฟลมนะโคลาอันนั่นเป็นมหาปูตรูปนี่ธาตุสิตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมารมณ์ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ18รวมเข้าไปแยกออกไปก็ไปรูปรนามอีกแหละนะก็เป็นมีแต่รูปรนามใครถนัดแยกแบบไหนก็แยกอย่างนั้นแยกเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นสภาวะเชิงเดี่ยวตัวเดียวตอนนี้มันเล่นเป็นฝูงเล่นเป็นกลุ่มมันเลยหลงว่ามีตัวเราจิตอารมณ์รวมเข้าด้วยกันนะจิตกับขันรวมเข้าด้วยกันเลยรู้สึกไอขันนี่แหละตัวนี้แหละก้อนนี้แหละ คือตัวเรามีคนเดียวนี่แหละแล้วพอขันกระจายตัวธาตุกระจายตัวยตนากระจายตัวออกไปก็จะเห็นเลยไม่ใช่เราเป็นสภาวะเชิงเดียวนะรูปก็ส่วนรูปนะเวทนาก็ส่วนเวทนารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีเรานะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นที่แรกตกใจใจหายตัวเราหายไปตัวเราซึ่งเป็นที่รัก หายไปเสีแล้วแต่ละคนรักตัวเองมากที่สุดแต่ว่ามหัดภานาแลว้วพบว่าตัวเราหายไปใจหายเลยกลัวบางคนกลัวนะบางคนใจหายบางคนรู้สึกเวงว่างว่างเวตัวเราหายไปเสียนะแล้วต้องอดทนองกแ้รู้ทันความรู้สึกเพี้ยนเพียนที่เกิดขึ้นกลัวรั่วกลัวไปเบื่อรั้วเบื่อไปนะวางเวงเวงวางรู้ทันมันลงไปนะมันจะดับหมดเลยทุกสิ่ง สิ่งใดถูกรู้ได้นะสิ่งนั้นยังเป็นสังขารที่เกิดดับอยู่นะตรงนี hm ้ยเพราะเรายังไม่เห็นนิพพานนิพพานก็เป็นสิ่งที่ไปรู้ได้นะไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เกิดดับอยู่นี้ยังเป็นสังขารขันทั้งหลายเป็นสังขารอยู่นี้ดูลงไปด้วยนะจนวันหนึ่งวางขันไปเห็นนิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับแต่ไม่มีเจ้าของเนั่นนิพพานเที่ยงนะนิพพานเป็นสุขนะแต่นิพพานเป็นอนัตตาไม่มีใครครอบครองได้ เป็นของอยู่อย่างนั้นแหละเป็นของประจํำทำอยู่กับโลกอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยหายไปไหนเลยมหาตภวนามาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเพื่อจะได้ถึงสภาวะเชิงเดี่ยวเช่นความกโกรธเนี่ยแยกออกไปอีกไม่ได้แล้ะความกโกรธก็คือความกโกรธแยกไม่ออกแล้วนะเราจะเห็นเลยความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยความโลภก็แยกออกไปไม่ได้แล้วความโลภก็คือความโลภ ดูไปก็จะเห็นในความโลภมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตรงบังคับไม่ได้นี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวตนถาวร อ, อะไรมีแต่มีขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็สลายไปตามเหตุปัจจัยนี่มาดูให้เห็นสภาวะเชิงเดี่ยวเดี่ยวเดียวเลยนะรูปมาดูรูปรูปเราแยก อ, อกไปอร่างกายทั้งตัวเนี้ยเยอะไปยังไม่ถึงสภาวะเชิงเดี่ยวะ ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่สภาวะเดี่ยวๆแยกออกไปอีกไอ้ตัวที่เดินเนี่มันประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยดินน้ำลมไฟดินนี่แยกไม่ออกละน้ำแยกไม่ออกละลมไฟแยกไม่ออกแล้วเป็นสภาวะเชิงเดียวเดียวล้วดูลงไปจะเห็นในดินไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน้ำไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาลมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไฟก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะ เวทนาเช่นความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจเวทนามีทั้งกายกับใจความสุขทางกายก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ทางร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความจํารูปความจําเสียงความจํากลิ่นความจํารส ความจําสิ่งที่มากระทบสัมผัสความจําทางใจก็เป็นแค่สภาวธรรมความจาเป็นสัญญาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกเนะนี่ยดูของจริงลงไปไม่ใช่คิดเอาสังขารที่เป็นกุศลเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวหายไปบังคับไม่ได้สั่งให้สติเกิดก็ไม่ได้ เกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้ศรัทธาเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีรู้สึกไหมศรัทธาของพวกเราศรัทธาของปุถุชนแปรขึ้นแปร ล, ลงไปเรื่อยๆตามอารมณ์เรียกศรัทธาตามอารมณ์ไม่ได้ศรัทธาด้วยปัญญาถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราศรัทธาด้วยปัญญาเราแน่นแฟนในพระพุทธเจ้าเลยไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าเลยเนี่ศรัทธาจะว่าเที่ยงหรือ เราไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลานึกถึงท่านเมื่อไหร่ศรัทธาก็มาไม่ได้นึกถึงก็ไม่ได้ศรัทธาก็เกิดดับเหมือนกันวิริยะวันนี้ขยันวันนี้ขี้เกียจมีไหมขยันแล้วทำไงดีขยันเป็นคนไหมขยันไม่ใช่คนความรู้สึกขยันความรู้สึกขี้เกียจไม่ใช่คนเห็นเนี่ยดูลงไป มีปัญญาบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็เฉยเฉยไม่มีปัญญาไม่ฟุ้งซ่านด้วยเฉยเฉยนี่มีแต่ของไม่เที่ยงดูลงไปนะแต่ละตัวแต่ละตัวจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางหูเกิดแล้วก็ดับนะี่เราดูนะอา้าวเราจะทดสอบจิตที่เกิดทางตาว่าเกิดดับจริงหรือไม่จริงหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารทุกคนดูหน้าหลวงพ่อแล้วดูสิ เห็นชัดตลอดเวลาไหมหรือว่าชัดแว็บเดียวแล้วเบลอแล้วก็ดูใหม่ชัดใหม่แล้วก็เบลอดูซิเห็นไหมว่าชัดแว็บเดียวดูออกไหมถ้าดูไม่ออกไปหัดดูอีกสติยังไม่พอจริงๆชัดแว็บเดียวเท่านนะั้นทำไมชัดแว็บเดียวไม่ใช่หลวงพ่อปฏิหารหรอกไปดูหมาก็ชัดแว็บเดียวเหมือ u, นนั่นะเพราะจักขวิญญาณจิตเกิดครั้งละขณะจิตเดียวเท่านะั้นเองเกิดแล้วดับ จะดูใหม่ต้องรู้สึกขึ้นมาใหม่ดูใหม่นะเห็นไหมจิตก็จะเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะถึงถึ ง, ถงสภาวะเชิงเดี่ยวตัวเดี่ยวๆเลยแล้วพบว่าสภาวะแต่และสภาวะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ7วัน7เดือน7ปีดูไปอีกนะดูจนจิตมันยอมรับความจริง ไม่มีเราแล้วตัวเราไม่มีไม่เพียงแต่ไม่มีเรานะไม่มีคนอื่นด้วยไม่มีสัตว์ไม่มีคนด้วยมีแต่สภาวะธรรมนี่หัดดูไปนะใจมันก็แจ้งแล้วต่อไปพอได้ตรงนี้แล้วก็มาดูต่อไปอีกดูอย่างเดิมไหนะแต่มุมที่ดูมันจะต่างไปมันรู้อยู่แล้วไม่ใช่เราเห็นความโกรธขึ้นมารู้แล้วไม่ใช่เราหรอกแต่อย่ารู้เลยความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นทุกข์ความโกรธก็บังคับไม่ได้ ดูไปเลยความปลดไร้าสาระ<ม>จะเห็นเลยไร้าสาระเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขก็ไร้าสาระเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความดีก็ไร้าสาระเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรๆก็ไม่เอานะไม่เอาสักอย่างเลยใจมันเอื่อมรามีแต่ของไม่มีสาระแก่นสารเลย ใ, ใจจะคลายความยึดถือในขันห้าออกไปยึดทำไมรูปไม่ใช่สาระ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีแต่เกิดแล้วดับไปหมดเลยเนี่ยใจเห็นนะลึกซึ้งเข้าไปใจก็ไม่ยึดถือในขันใจไม่ยึดถือในขันนั่นเรียกว่าพ้นจากขันแล้วก็พ้นจากทุกขนะ์เป็นพระละหันนะแต่ยังมีชีวิตอยู่ขันมีอยู่แต่ว่าจิตไม่ยึดยึดถือขึ้นมาจิตไม่ทุกข์ขันเป็นทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์ด้วยนะวันหนึ่งสิ้นขันนะสิ้นขันก็สิ้นทุกข์ดับทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์ ค่อยภาวนาเป็นลําดับลําดับไปนะแต่ต้นทางถึงปลายทางมีแต่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของรูปนามนะเรียนรู้ความจริงของรูปของนามจะเรียนในแง่มุมของขันของธาตุของอริยตนะของอินทรีย์ของอริยาศาสตร์ของปฏิจจสุบัติก็รูปกับนามนัน่นแหละอย่างอาวิชชาเป็นรูปหรือนอามอวิชชาเป็นรูปรนิยามนามใช่ไหม สังขารเป็นรูปหรือนามอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขารเป็นรูปหรือนามสังขารตัวเจตนาเป็นตัวนามวิญญาณรูปหรือนามเป็นนามเนี่ยนามรูปเป็นรูปหรือนามนามรูปเป็นทั้งรูปทั้งนาม <c oughs> อายตนะล่ะแล้วใจหายไปไหนอายตนะมีทั้งรูปทั้งนามเนีผัสสะล่ะ เป็นรูปหรือน้ำก็ตามองเห็นรูปอะเป็นรูปหรือน้ำเป็นน้ำผัสสะเป็นนาำ น, น, นะคือการเห็นอนะการเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นนะการเห็นผัสสะตัวผัสสะตัวการกระทบอารมณ์อะไรเรียกว่าผัสสนะตานะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีตามีรูป นะมีวิญญาณทางตา3มอย่างนี้ประชุมกันเข้ามาก็เรียกเป็นผะัสสะงั้นในผัสสะคาว่าผัสสะผัสสะนะมีตามีการกระทบกันระหว่างตากับรูปกับวิญญาณกับจิตกระทบกันสามารถมากระทบกันปับ๊บตัวนี้เรียกว่าผัสสะนะเกิดการรับรู้ทางตาขึ้นมาในะนรูปหรือนามการกระทบเป็นน้ำนะเวทนาเป็นนามหรือรูป นามใช่หมตัณหาออนามแทบทั้งนั้นเลยเนาะอุปาทานล่ะอุปาทานก็นามใช่ไหมแล้วอะไรพบพบเป็นอะไรพบก็คือตัวกรรมตัวเจตนานะแล้วก็ชาติล่ะนะรูปกับ น, นามถูกก็ไม่แน่บางภูมิ มีแต่รูปบางภูมิแต่น้ำแต่รวมความมีได้ทั้งรูปทั้งนามตัวทุกข์ล่ะไปหาเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ให้เฉลยหมดนะไปดูเอาเองเหนะ็นไหมทั้งหมดนะตรงแล้วรูปแัะ น, นามหมดเลย <c oughs> ค่อยหัดไปนะแล้ววันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาความทุกข์ก็จะตกหายเราจะเปลี่ยน ชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเลยไม่เหมือนคนเดิมแนละ้วคนเดิมนะันอนจมความทุกข์นอนแช่ความทุกข์ตลอดชีวิตนะไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะออกจากทุกข์ได้ไงเพราะไม่รู้ทางแล้วพระเจ้าค้นพบทางออกจากทุกข์แล้เอามาสอนเรานะให้มามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมาจนวันหนึ่งเกิดปัญญาแจ่มแจ้งนะพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญานะแต่ปัญญาไม่เกิดเดียวๆหรอก ไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญามันส่งทอดกันมาเหมือนขึ้นบันไดนะต้องขึ้นขั้นแรกก่อนอวดอุตตริขึ้นขั้นสุดท้ายก่อนเน่ยเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวตกกระไดคอหักตายลงอบายซะอีกฐานโง่อา้าวต่อไปส่งกันบ้านกลับนมาสการหลวงพ่อค่ะก็วันนี้วันนี้จะกลับบ้านแล้วอะค่ะก็ <Hello. S 2> หลวงพ่อให้ระหวังที่อยู่วัด น, นี้ก็หลวงพ่อให้ลองดูว่า อ, อดูที่ไม่ใช่เราอค่ะก า, การเคลื่อนไหวแรงต่างเนี่ยที่ไม่ใช่เราก็พยายามเฝ้าดูเหมือนกั น, นะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเห็นแต่ว่ามันเหมือนก็เห็นอะไรแวบๆบแบบไม่ทราบค่ะหลวงพอ่อเห็นแวบๆนะไม่ทราบเพราะไม่ได้บัญญัติไม่มีสมมุติบัญญัติให้เห็นแต่สภาวะ เขไม่รู้ว่าสภาวะอะไรเห็นเดี๋วแวบๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแว บ, บเดียวเองค่ะหลวงพ่อเร็วมากเลยเร็วสิทำไมยังไม่เร็วหรออ๋ออันนี้อันนี้คือเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะถูกสิปัจจุบันสั้นนิดเดียวนะปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีนะปัจจุบันมันคือขณะจิตต่อหน้าเรานี่แต่ว่านานๆก็เห็นทีนะคะหลวงพ่อไม่ได้เห็นตลอดถูกไหมคะไม่แปลกไม่ใช่พระละหา<อ>ันนานๆเห็นทีดีกว่าไม่เห็นเลย หัดดูไปเรื่อยนะกลับไปก็เห็นทั้งวันอ่ะมีแต่ว่าปับๆๆไ ป, ป, ปไม่มีอะไรเพราะพอเห็นปุ๊บแล้วมันก็เหมือนกับ เ, เราก็เอ๊ะแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยนั่นแหละมันไปคิดต่อละมันมัวสงสัยความสงสัยเกิดแล้วไม่เห็นอ๋อถ้า ง, งั้นก็คือเห็นก็เห็นเฉยๆอย่างนี้เห็นแค่นั้นแหละถึงมีสติมันก็เห็นแวบเดียวนั่นแหละเหมือนที่เห็นหน้าหลวงพ่อแวบเดียวนั่นแหละ ก็ให้กลับไปดูอีกใช่ไหมคะอย่นี้ดูบ่อยๆนะอย่บังคับมันแต่อย่าขี้เกียจรู้สึกจะขี้เกียจมากกว่าจะบังคับมาขยันภาวนานะเพราะถ้าถ้าเราเราจะนั่งนั่งสมาธิมาที่นี่ก็จะค่อนข้างนั่งสมาธิมากหน่อยมีโอกาสกลับบ้านก็ไปนั่งนะอย่าทิ้งซะสมาธิไม่มีจิตไม่มีแรง กับนมัส ก, การค่ะเ อ, อที่หลวงพ่อบอกว่าให้ลดวิหารธรรมให้เหลือน้อยลงนะค่ะ ก, ก็พยายามลดลงตอนนี้ก็เหลือเ อ, อพุทโธกับหายใจเข้าหายใจออกนะคะเท่นั้นก็พอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือมันก็ไม่สงบอะค่ะอือย่างอย่างว่าหายใจเข้าวันนี้กับเมื่อวานเนี้วันไหนสงบกว่ากันพอกันเลยอะค่ะเที่ยงหรือ ใกล้เคียงอะค่ะใกล้เคียงคือคื ค, ค, คือยังอย่างหายใจเข้าพอหายใจออกปุ๊บจิตไปแว บ, บไปที่อื่นละดีที่รู้ที่เราฝึกหายใจก็เพื่อจะรู้ทันจิตเวลามันแว บ, บนั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บหนีไปแล้วรู้ว่าหนีไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะรู้ลมหายใจละค่ะแล้ ว, ลวไม่ได้ห้ามหนีนะค่ะแต่มันบ่อยมากจนพอพอมีความรู้สึกว่า เกิดความอยากว่าเราอยากสงบอค่ะก็เลยเบื่อเบื่อแล้วล้วก็ไม่ไม่ไม่นั่งก็จะมาเดินเดินเมื่อวานก็เลยเดินมากหน่อยนะคะเดินจงกรมมากหน่อยเดินไปค่ะภาวนาะทุกวันต้องทำในรูปแบบนะนั่งสมาธิเดินจงกรมสงบก็ทาไม่สงบก็ทาขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำมีหน้าที่ทำอย่างเดียวแหละทำทุกวัน ถ้าเราทำโดยไม่หวังผลนะแปบ๊บเดียวก็สงบแนละ้วถ้าทำแล้วอยากสงบไม่สงบหรอกค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าจิตจิตอยากคือเกิดความอยากที่จะได้หรือหรือจะรู้เหมือนที่ทเคยเคยรู้เคยเห็นมาค่ะให้รู้ว่าอยากไม่มีทางได้หรอกค่ะนะรู้ไปแล้วมันได้เองแหละไม่ใช่ได้เพราะอยากนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องภาวนาจนพ้นอยาก อันนั้นอาจอาจจะเป็นอาจจะทำให้ให้ให้ไม่มีกำลังที่จะมีกำลังใจที่จะทำทำไปเรื่อยสิน ะ, ะที่หลวงพ่อ บ, บอกอะ่ะขยันก็ทาขี้เกยียจก็ทาดีก็ทำร้ายก็ทาไม่เลิอกอะ่ะมันต้องดีจนได้แหละถ้าเราหวังว่าจะสงบนะเนาะพิเค้นจิตจะให้สงบไม่สงบหรอกคเคล็ดลับมันอยู่ที่ต้องสบายใจถ้าเราภาวนาไปอย่างสบายใจแป๊บเดียวก็สงบลนะ อ่ะต่อไปกลับนวัต ก, การมเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเจ็ดเดือนแล้วเจ้ค่ะอืมที่ผ่านมาก็คือเห็นตอนนั่งสมาธิเห็นกายแยกกับเวทนาใช่ปะคะในชีวิตประจำวันตนที่ผ่านมาเล้วเดี๋วนี้ก็เห็นเวทนาทางทางอารมณ์ทางทางจิตนะคะมันแยกออกจากตัวผู้รู้ะะอะนั่นต้องอย่างนั้นสิเจ้าค่ะแล้วก็กิเลสมันก็แยกออกจากผู้รู้นะเจ้าค่ะนั่นแหะขันมันแยกไปหมดละ เจ้าค่ะอะไรที่เราเคยเข้าไปคุกแล้วอารมณ์มันจับอยู่ตรงนั้นมันมันทุกข์ตรงนั้นมันไม่มันมั น, ม, นมันเบามันคลายออกใช่ไหมค่ะปัญหา<ต>ที่ทำไปเนี่ยนะไม่ใช่หวังว่าตัวผู้รู้จะต้องสบายอยู่อย่างนี้ตลอดนะเจ้าค่ะเราไม่ได้มุ่งเอาอตรงนี้<ะ>เรามุ่งให้เห็นเลยพอมันกระจายออกไปแล้วตัวเราไม่มีหรอกแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าต้องผู้รู้ต้องเด่นดวงแยกออกตลอดเวลาเจ้าค่ะนะไม่จําเป็นเจ้าค่ะ ปัญหาของหนูที่แา่ลธนาหลวงพ่อช่วยทุบก็คือนั่งทําสมาธิจะหลับอะค่ะหลวงพ่อขนาดขับรถยังหลับเลยเจ้าค่ะถ้าขับรถจะหลับนี่แนะนําให้จอดก่อนทําสมาธิจะหลับเนี่ยไม่แปลกอะไรจิตซึ่งมันแยกธาตุแยกขันธ์มันเดินปัญญามาแล้วเนี่ยมันจะถึงสภาวะอันหนึ่งคือมันจืดกับโลกมันจะจืดรู้สึกไหมโลกนี้จืดสึกยิ่งกว่าแกงจืดอีกนะแกงจืดมีรสไหม มีนิดหน่อยอ๋อมีนะน้ำป่ามีรสไหมมีจ้าค่ะอ๋อมีน้ําฝนมีรสไหมมีเจ้าค่ะมีรูปอะไรไม่มีรสไหมตัวดูไปสิดูไปพอใจมันเบื่อนะจ้าค่ะใจมันจะหนีมันจะหลับใจมันภาวนาแยกธาตุแยกขันไปหมดล้เห็นเกิดดับล้จ้าค่ะใจมันจะเบื่อหนีนิพพทา อันนี้ไม่ใช่โทสะเจ้าค่ะมันเป็นนิพพิธาดูออกไหมเจ้าค่ะไม่ใช่โทสะบางทีมันวิ่งวนเหมือนหาอะไรก็ไม่ทราบน่นแหละมันจะหาทางพ้นทุกข์แต่หาไม่เจอเจ้าค่ะนะแล้วผ่านตรงนี้ไปธรรมดาเป็นทุกคนหลวงพ่อก็เป็นเจ้าค่ะมีอย่างหลวงพ่อสัญญาดับบ่อยอะเจ้าค่ะไม่เป็นไรบางทีหนูแลกตังกับเพื่อนเนี้ยบอกให้เขาให้ไม่ครบอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเอออย่างนี้ลําบากแล้วบอกมันสิให้ดับตอนที่สมควรดับ หลวงพ่อเคยนะขึ้นเรือด่วนเจ้าพยาไปขึ้นที่ท่าน้ำนนท์บ้านอยู่เมังนนท์น ะ, ะแล้วเดี๋ยวจะไปกลับบ้านพอขึ้นจากเรือนะสัญญาดับสัญญาดับเรารู้เลยว่าสัญญาดับเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนด้วยนะดับก็ดับมาดับก็ไม่เที่ยงวะอออยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ามาแล้วก็กลับบ้านไ <c oughs> <c oughs> ด้ <c oughs> ไม่ใช่อาร์ซเมอร์รับรองไม่เป็นอารไซเมอร์ หลวงพ่อมีอะไรชี้แนะเพื่อให้การเจริญพรทำไปเรื่อยอย่าถอยถอยแล้วโง่แล้วค่ะทำไปทำมาจนถึงจิตมันเบื่อกับโลกแล้วแต่ว่าเวลาจำเป็นจะต้องคอนเซนเทรตอะไรนะเพิ่มสติเข้าไปเพิ่มสติจะแลกเงินกับเพื่อนตั้งสติก่อนเดี๋ยวสัญญาดับตังหายจะขับรถตั้งสติไว้อย่าให้จิตรวมอย่าให้จิตดับ นะถ้ามันจะดับจริงๆนะทําเป็นรถเสียกลางถนนเลยหาที่จอดไม่ได้รถเสียเปิดกระโปรงหน้าเลยจอดอเพรเดี๋ยวมันมาแล้วค่อยเอาใหม่ดีกว่าตายอะ่ะเนื่อขับไปทับไครเขาอะ่าานะที่ภาวนาอยู่นี่มันตึงไปหรือว่ากำลังพอดีพอดีแ ล, <ะ S 1> ล<ะ>้วพอดีจ้าค่ะพอดีแล้วนะพราเมื่อก่อนเห็นว่าตึงกว่านี้เลยปล่อยให้สบายขึ้นเจ้าค่ะอย่าย่อนกว่านี้เจ้าค่ะย่อนกว่านี้จะย่อนไปเจ้าค่ะตอนนี้ไม่เหมือนหัดแรกๆนะถ้าแรกๆแค่นี้ดีแล้วล่ะ ตอนนี้ถ้าย่อนวันนี้นิดเดียวหย่อนเกินะแล้ะเกือบหย่อนละขอบคุณเจค่ะนี่คนนี้จําเป็นจริงๆผ่านพานาจนนิพิธาเกิดดีไม่ใช่ง่ายนะกลับเนพัสการหลวงพ่อค่ะกลัวไหมกลัวไหมกลัวค่ะกลัวแล้วทํายังไงกลัวก็รู้ว่ากลัวค่ะ แล้วก็คุยต่อไปค่ะก็คือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาประมาณ3ปีแล้วอะค่ะก็นี่ส่งกันบ้านครั้งแรกคือก็รู้สภาวะสภาวะคิดสภาวะรู้สึกแล้วก็รู้ถึงกิเลสที่เกิดขึ้นตลอดนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกเบื่อกับเหนื่อยเบื่อตลอดเวลาก็เลยไม่ทราบว่าเบืต้องปฏิบัติเบื่อตัวนี้เป็นโทสะนะไม่ใช่นิพพานมันไม่ชอบอันนี้มันจะไปชอบอีกอัน จะหาที่หนีนะต้องทนเอาให้รู้ทันว่าใจมันมีโทสะขึ้นมาแล้วแล้วก็มีความอยากที่จะพ้นพ้นไปจากทุกที่เห็นไหมมันเกลียดอันหนึ่งนะมันจะไปเอาอีกอันหนึ่งอย่างนี้อะไรมันเป็นโทสะนะให้รู้ทันอย่างที่มันเป็นรู้ว่ามันอยากจะพ้นทุกุรู้ว่ามันเกลียดความทุกขุรู้ลงไปนะใจเรายังไม่เป็นกลางการภาวนาในจุดนี้เนี่ยให้รู้ทันจิตที่เป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเอาไว้ ยินดียินรายขึ้นมารู้ทันฝึกเท่านี้แหละเอาตรงนี้นะมาถึงจุดนี้แล้วดูยินดียินร้ายแล้วขอบพระคุณค่ะค่ะหลวงพ่อคะคือมีปัญหาะค่ะว่าเออเป็นคนที่แบบชอบให้คนอื่นแบบมาแบบแบบแคร์สายตาคนอื่นนะคะฮะฟังไม่ได้ยินชอบ<ง>แคร์สายตาคนอื่นนะคะชอบแคร์สายตาคน อ, อ, อื่นค่ะแล้วก็เ อ, อชอบให้ตัวเองอบบ สำคัญอะไรอย่าเงอใครๆก็ชอบธรรมดาแล้วก็แบบในชีวิตประจำวันนี้ก็จะกดตัวเองมากเลยค่ะอะไรตัวเองจะกดตัวเองอะค่ะเอออย่าไปกดมันสงสารมันแล้วก็หนักมากเลยค่ะถ้ากดมากก็หนักมากถูกต้องอีกเราจะทํายังไงเดี๋ยวหนูรู้ทันใจที่อยากไหมใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรูปเดียรู้แต่ก็จะหนักอะค่ะถ้ารู้ถ้าถ้ารู้ก็ยังหนักอยู่อะค่ะไม่หนักก็อยากหายรู้ว่าอยาก หนูคอยดูไว้นะใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นหนูคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้สบายๆอนุญาตให้เผลอเป็นครั้งคราวด้วยนะไม่ต้องรู้ตลอดนะแต่ดูบ่อยๆใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นคยรู้ใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ให้กรรมฐานแล้วนะไปดูใจที่อยากไว้ไปทำนะแล้วรับรองว่าดีกราบนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ ช่วงหลังมานี่อาการป่วยโยมเป็นมากขึ้นอาการอะไรนะอาการป่วยเจ้าค่ะอาการป่วยเจ้าค่ะแล้วโยมก็เลือกที่จะไม่คีโมอีกแล้วทีนี้ถ้าหากจะตายนี่เราจะต้องยังไงอะเจ้าค่ะดูร่างกายมันตายเราเป็นแค่คนดูถ้าตอนนั้นมีเวทนา<ด>ก็ให้ดูเวทนาเหรอเจ้าค่ะดูจิต นะให้รู้ทันว่าจิตกระวนกระวายตรงนี้เวทนาแรงนะจิตกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอย่าไปดูที่ตัวเวทนาให้ดูที่จิตเอาจิตไว้อันเดียวเลยเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะเอาจิตอันเดียวเลยอย่างอื่นไม่เอาละแล้วถ้าดูไม่ออกแล้วเจ้าค่ะดูไม่ออกรู้ว่าดูไม่ออกอยากดูรู้ว่าอยากต้องซ้อมนะต้องซ้อมเป็นมะเร็งประเภทไหนล่ะต่อมน้ําเหลืองเจ้าค่ะอขั้นสุดท้ายหรือ เว้ยยางอีกนานอ่ะ <c oughs> และ้วมีเวลาซ้อมบางคนเขาเป็นเขาก็หายนะ <Okay. S 2> ภาวนาไปพยายามดูไปนะกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันจิตเช่นจิตกลัวรู้ว่ากลัวนะจิตทุรนทุรายรู้ว่าทุรนทุรายจิตจะสงบอัตโนมัตินะ ถ้าจิตสงบแล้วคราวนี้ยมันจะเห็นธาตุเห็นขันมันทํางานเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นร่างกายก็ไม่ใช่จิตความเจ็บปวดก็ไม่ใช่จิตความทุรนทุรายไม่เกิดนะอาจจะตายไปขนานั้นเป็นสมาร์ทสีเป็นพระลรหันพร้อมขณะตายเลยก็ได้นะใครจะว่าได้ไม่แน่หรอกของพันนี้พยายามแยกขันไปเรื่อยนะเอาจิตเป็นหลักไว้ ฉั้นถ้าจิตกังวลกระวายขึ้นมารู้ทันจิตกังวลรู้ทันจิตกลัวรู้ทันนะรู้เข้าไปเลยที่จิตอย่าอยากให้จิตดีเอาแค่รู้ทันจิตจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องดีก็ได้เชื่อค่ะแล้วช่วงนี้ยอมรู้สึกเหมือนว่ารู้สึกตัวได้ได้ถูกขึ้นถูกถูกนะขึ้นเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไปฝึกนะจะอยู่จะตายไม่สำคัญหรอก ชีวิตนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะงั้นจะอยู่หรือจะตายตัวอะไรตายตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราตายนะเงั้นไม่ต้องไปกังวลใจตายก็ตายไปสิเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะดูจิตไว้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะรักษาจิตไปนะดูแลจิตร่างกายก็ให้หมอมดูแลไปเราดูแลจิตของเราไปใครมันดูแลแทนไม่ได้ใช่ค่ะ ถ้ามันเจ็บปวดทรมานมากนะดูจิตไม่รู้เรื่องเลยนะใช้การคิดพิจารณาเลยนะหลวงพ่อเคยสอนโยมคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าจะตายในไม่กี่วันนะอยู่มาป่านนี้ยังไม่ตายเลยตั้งหลายปีแล้ว<ม>บอกเคยทำกรรมฐานได้นะถ้าทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วกรรมฐานแตกหมดเลยมันเจ็บปวดทรมานมากนะทำไงก็ไม่ได้มาหาหลวงพ่อวันเสาร์นะหลวงพ่อก็สอนให้บอกว่า นึกว่าร่างกายเราเหมือนดอกไม้นะเราขอถวายเป็นพุทธบูชานะเราก็จะภาวนาของเราไปเรื่อยพุทธโธอะไรเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าไปร่างกายเหมือนดอกไม้ซึ่งเราเด็ดมาจากพื้นดินละเอามาใส่แจกันแล้วดอกไม้จะอยู่หรือดอกไม้จะเหี่ยวก็เรื่องของมันละเรายังมีชีวิตเหลืออยู่เราจะภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าเรื่อยไปนะแกทําอย่างนี้นะบอกไปวันเสาร์นะวันอังคารบ้งหรือวันจันทร์อังคารมหาแล้ว จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วจนป่านนี้ยังไม่ตายเลยนะหมอเนี่ยอายมากเลยหมอกราบนมัสการเดี๋ยวนี้เวลาหลวงพ่อไปเทศที่ไหนนะแกจะไปเป็นแฟนคลับก็เรียกใช่ไหมก็เรียกแฟนคลับใช่ไหมพี่ลึกภาษาเนี่แปลกจริงอ้าวกราบนมัส ก, การครับอขอส่งกันบ้านในรอบแปดเดือน เท่าที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะว่าเริ่ม อ, อาการประคองเพลงเนี่ยเริ่มน้อยลงแต่ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยเป็นกลางจะชอบแบบสภาวะที่เป็นสุขลาทุกมาหรือว่าไปหลงอะไร อ, อารมณ์ที่มันแบบซึมๆเศร้าๆบางทีดูไม่ทันก็จะเกลียดอแต่พอรู้ทานปุ๊บ ม, มันก็จะหลุดขึ้นมาแต่ว่าหลังๆตอนนี้รู้สึกมีเรื่องเหตุให้หลงโลกไปแต่พอกลับมาปุ๊บรู้สึกใจมันลอยๆไปลกๆเหมือนเมย์นั่นแหละนั่นแหละนะมันต้องรับเวรรับกรรมของเราแล้วล่ะอันเนี้ย พยายามรู้สึกตัวใหม่นะเด้วะนันใจมันกระจายกระจายออกไปข้างนอกนะเป็นผลจากที่เราปล่อยมันไปก็คือให้นับหนึ่งใหม่อยู่กับวิญญาณก็้นับหนึ่งนับหนึ่งใหม่นะภาวนาไปก็มีเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับนับหนึ่งไปนะแล้วก็มีวินัยในตัวเองอย่าไปยุ่งกับโลกมากนะยุ่งเท่าที่จําเป็นโลกมีแต่ทุกข์ไม่มีของดีหรอกหมอนี่ดีขึ้นนะหมอตรงใช่ไหม Uh huh. นวัต ก, การหลวงพ่อครับผมภาวนาไปเห็นธาตุขันมันแยกจากกันหมดเลยครับทีนี้ล่าสุดเห็นกระบวนการของจิตที่มันเหมือนกับ เ, เกิ ด, เ ก, ดเกิดความอยากมาประมาณสองสาเดือนเนี่ยฮะ mm hmm. เกิดเกิดโลภะแล้วพอ mm hmm. ดูมันไปมันก็บางลงบางลง mm hmm. จนเห็นเป็นเม็ดเล็กนิดเดียวเนี่ย mm hmm. แล้วพอสองวันก่อนพอภาวนาเนี่ยดูไอ้ตัวอยากเนี่ยแล้วพยายาม สังเกตศีลสมาธิปัญญาของตัวเองว่ามีอะไรบกพร่องอยู่บ้างปรากฏว่าสมาธิขาดไปนิดหนึ่งพอเริ่มสมาธิไปดูปุ๊บมันขาดไปหมดเนี่ยอืพอมันขาดไปหมดปุ๊บขันมันแยกออกมาอืแล้วมันมีความเป็นเราเนี่ยมีอะไรนะ ม, ม, มีมีความรู้สึกเป็นเป็นเราเนี่ยบางๆไปไปยึดอยู่ที่ขันนั้นผมไม่รู้ว่าพูดว่างไงแล<อ>้ว<อ>จิตมันก็ดา่ามันว่าทาไมมันโง่เงี้ย<อ>เสร็จปุ๊บพอพ อ, พอไอ้ตัวอยากไม่ปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ย อ, อก็เกิดเป็นความฟุ้งขึ้นมาความฟุ้งคือมันเหมือนกับการที่จิตมันเคลื่อนออกมาจากฐานนิดหนึ่งแล้วมันมันก่อให้เกิดทุกข์อะไรประมาณนี้ครับมผมก็เลยสังเกตอาการของจิตที่มันเคลื่อนออกมาอืสังเกตพอมีสมาธิเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับเป็นงนั้นนะครับก็ตอนนี้ไปดูโทสะไว้นะครับไปดูตัวโทสะไว้มันแทรก มันเหมือนทุกอย่างมันมีมันมีกีเลสแทรกอยู่เออนะไปรู้ทันนะอย่าไปเกลียดมันยังเกลียดมันอยู่อ่ะไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันว่าจิตยังไม่เป็นกลางเท่านั้นเองครับภาวนาเก่งอยู่รับจิตมันมีโทสะสะกอดมันมันมีนู่นมีนี่แทรกมาให้เห็นตลอดเวลานะครับดีดีเห็นนู่นละเอียดก็มีละเอียดเข้าไปอีกอืพอไปติดพบอะไรเนี่ยวันต่อไปผมก็ยังเราไม่ต้องไปคนกวามากนะ ไม่ใช่พอเจอละเอียดแล้วแยกเข้าไปเจอละเอียดกว่าแยกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยกลายเป็นศึกษาออกนอกไปอีกนะครับหยาบหรือละเอียดเนี่ยเท่าเทียมกันจับหักตัวนี้ให้แม่นนะหยาบก็สอนใจ ล, ลักษละเอียดก็สอนไตรลักษ์เราต้องการเห็นใจ ล, ลักษณ์เราไม่ได้ต้องการเห็นของหยาบหรือของละเอียดหรอกนะพอใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะหยาบหรือละเอียดเท่าเทียมกันนะใจเป็นกลางมั น, เ ป, นเป็นกลางได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนะยอะเลยฮะเนี่ยพอใจมันอยากนะแล้วมันก็จะหงุดหงิดไปเรื่อย พออยากแล้วมันก็ฟุ้งซ่านนะแล้วลําคาญครับคือมันมันเกิดช่วงก่อนหน้านี้เกิดไอ้กุกุจจะนั่นแหละมันมีกุกุจจะนะครับให้รู้ทันตัวนั้นแหละแล้วพอพอไปเห็นมันมันก็ดับแล้วก็ไปเห็นไอ้อุทธะทีแรกมันมีตัณหาก่อนนะมันอยากนะอยากแล้วก็มันก็เข้าไปทํางานไปค้นคว้าพิจารณากลายเป็นฟุ้งเสร็จแล้วมันก็ลําคาญนะมันมันเหมือนเป็นเป็นทุกข์บางอย่างพอเกิดเกิด กิเลสขึ้นมามันเหมือนมีมีอะไรหนักๆขึ้นมามันมันพอ ม, พอมีสมาธิมันมันเห็นขึ้นมาแบบเป็นสิ่งที่แบบบีบคั้นมากเลยถูกต้องแล้วนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนี่เป็นของจริงเลยละ่ะแล้วสังเกตพอภาวนา <c oughs> เห็นสภาวะได้เยอะได้ละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็มานะก็ขึ้นมาดีที่เห็นนะมีมานะมีเทียบเขาเทียบเราอื ขึ้นมาแล้วก็มีฟุ้งซ่านมีครบทุกอย่างนั่นแหละดีนะรู้ทันไปรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยหลวงพ่อเขาผมเคยภาวนาไปแล้วเห็นไปจนเหมือนกับเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นจะว่าหยิบยับยิบยับมันก็มันก็ละเอียดลงไปกว่านั้นเองแล้วมันอะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ออกมันเหมือนเป็นพยับแดดฮะอ๋ออยู่อยู่ภายในกลางหน้าอกเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละดีเป็นอย่างนั้นแหละคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันเป็นความปรุงของสังขารละเอียดนะครับ เป็นขันที่ละเอียดเท่าไปก็แค่รู้นะละเอียดถัดจานั้เป็นแสงนะครับขันห้าเป็นแสงของจิตเออมันมีอะไรที่ผมติดแล้วมันมันจะมองมองไม่เห็นมีกุบุญจักครับตัวนี้แทรกอยู่ตลอดเลยไปดูบ่อยๆ่อยเออโทษนะครับหลวงพ่อขออีกเรื่องหนึงครับได้ไเราเราจะมีวิธีสังเกตอะไรไหมครับว่าเคยเคยได้อธิษฐานจิตปถนาพวกปัจเจกกับ ไม่เป็นไรไม่จําเป็นนะมีหน้าที่ภาวนาให้เต็มที่ไปเลยถึงเวลาจิตเขาเลือกเขาเองแหละครับนะไม่ต้องไปกังวลบางคนกังวลนะว่าจะลาพุทธภูมิได้ไหมกังวลอยู่งั้นนะพุทธภูมิก็ไปไม่ได้สาวกภูมิก็ไปไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าตั้งใจคือได้ฟังธทำมาขนาดนี้ภาวนาขนาดนี้ก็ตั้งใจทําให้มันจบไปเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะติดอะไรยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาให้เต็มเหนียวไปเลยครับ ขอบคุณครับหลวงพ่อครับก็คือครั้งสุดท้ายที่ถวายการบ้านหลวงพ่อเป็นช่วงตอนเมษาครับหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ออกไปทางทวาวรทั้งห้าแล้วก็ถาวรใจแล้วก็ให้ดูตัวกูเก่งครับเห็นไหมเห็นไหมเก่งครับก็ก็ดูก็เห็นบ้างแต่ว่าพอปฏิบัติไปช่วงดนึงรู้สึกว่า โทษะมันเยอะมากอะครับแล้วก็ถึงขั้นที่บางทีก็รูกแก่โทษะไปอะไรเงี้ยฮรเราก็ไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติผิดตรงไหนหรือเปล่าทำไมคือถ้าเราเคยพอนาแบบกดๆไว้นะพอเราเลิกกดเนี้ยโทสะจะแรงแรงกว่าคนทั่วๆไปจะเป็นช่วงหนึ่งหรอกนะรก็ตั้งใจแค่รักษาสี่ห้าไว้ถึงโทสะแรงก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ทาร้ายใครนะครับก็พอปฏิบัติต่อไปอีกก็ สวดมนต์ปกติจะสวดมนต์สวดมนต์จิตใจก็ไม่สงบคะก็<ม>คิดไปเรื่อยเรื่องดูเรื่องนี้จนเนี่ยสวดมนต์นะแล้วก็วค่คอยรู้ทันจิตเนาะสวดมนต์แล้วรู้ทันไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันถ้าสวดยาวแล้วดูจิตยากก็สวดสั้นๆอาจจะแค่พุโทโธธรรมโมสังโฆห ร, รือพุโทโธพุโทโธอะไรย่างนี้ก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งไปคือได้สมาธิขึ้นมาเอาสมาธิก่อนมีสมาธิแล้วค่อยมาสวดใหม่ก็ได้ ก็คือสวดสวดไปสักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าก็ก็คือในวันเดียวกันเนี่ยฮะมันไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอะไรแล้วแบบนึกถึงคำหลวงพ่อว่าขันท่ามันเป็นของโลกอืออยู่ดีปุ๊บมันก็เด้งออกมาเลยฮะเออนั่นอย่างนั้นเราแก้ด้วยปัญญาเห็นขันมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกองอยู่กับพื้นตรงนั้นนะฮะจิตโทสะที่อยู่ในจิตก็อยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ร่างกายก็อยู่ตรงนี้อะไรแต่ไม่มีตัวเราอยู่ไม่มีเราครับดีอย่างนั้นแหละดี ก็มันบางทีฟานานะแทบเป็นแทบตายเลยจิตไม่ยอมสงบเลยนะเกิดความเข้าใจปิ๊งขึ้นมานะจิตดูรั่วรวมเลยก็มีนะบางคนตัดกิเลสเลยก็มีนะแต่ว่าก็คือเห็นโทสะมันก็อยู่สักพักก็มันก็ไปแล้วก็ลงมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเนี่ยฮะเป็นตัวเราเหมือนเดิมเอดูอีกยังไม่พอครับถ้าพอแล้วไม่เป็นเราแล้ก็คือทําอย่างนี้ต่อไปได้เลยใช่ไหมครับได้ได้ จิตตอนนี้เป็นปกติไหมไม่ค่อยใช้ได้ครับกราบพระบาสการหลวงพ่อครับจะจะสอบถาววิธีคลายจิตที่เพ่งอารมณ์มครับยกไม้นี่จะสอบถาววิธีคลายจิตที่เพ่งอารมณ์อยู่่ครับจิตที่เพ่งอารมณ์นะมันเพ่งพระโลภมันอยากรู้ตลอดเวลาอยากดีอยากเห็นชั ด, ชดๆอะไรเงี้ยอยู่เพ่ง งั้นถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะทํำลายต้นทางได้มันก็ไม่เพง่งแต่ถ้ามันเพ่งไปแล้วมันอึดอัดใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบอันนี้เป็นวิบากแล้วห้ามไม่ได้เราก็รู้ทันว่าเนี่ยเพ่งมากไปต่อไปมันก็ค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกอย่าไปบังคับมันนะบังคับมันไม่ได้จิตเป็นอนัตตามันจะค่อยๆคลายออกเองถ้ามันรู้ว่าเพ่งอยู่อย่างเวลาที่อยากจะมาดูลมหายใจอย่างนี้ครับ ก็จะรู้สึกว่าดูไม่ค่อยได้จะอึดอัดจะแบบแต่ถ้าเราแบบปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยครับมันกจ็จะรู้สึกโปร่งได้กว่าเรารู้ <laughs> เห็นร่างกายหายใจไปแบบโปร่ปงๆอะนะทำใจสบายก่อนงั้นอย่างเวลาสอนอานาปนาสตินะพระเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาว ลงเวลาเราจะรู้ลมนะเราเห็นหายใจออกก่อนสิมันจะไม่เกร็งขึ้นมาแต่ถ้าเราจะรู้ลมหายใจแล้วหายใจเข้าก่อนนะ้ำจะเกร็งขึ้นมาเนี่ย <Yeah. S 1> แข็งได้ที่แล้ว <c oughs> ดูเนี่ยเดีวในปอดเรามีลมอยู่นิดหน่อยนะหายใจหน่อยหนึ่งก็ยังดีหายใจออกไปสักนิดหนึ่งแล้วก็รู้ไปสบาย <c oughs> เห็นมันหายใจเข้าเราเป็นคนดูหายใจเข้ามาเราเป็นแค่คนดูเห็นมันหายใจออกเราเป็นคนดู ให้เฟืออ่างนี้น่าหรืไม่เกรงแล้ววิธีที่ใช้วิธีกลั้นลมหายใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยได้อย่างไรก็ได้เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิในยามฉุกเฉินแต่ไม่ควรทําบ่อยใช่ไหมครับอันนี้ทําบ่อยไม่หายไม่ไม่อยู่อะนะยามจําเป็นนะทำทีนึ่งไปกลั้นอึ๊บอึ๊บงี้ทั้งวันไม่ได้กินหรอกใจฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกนะเป็นอุบายหลวงปู่เทศท่านเคยสอน ไม่ได้ทำตลอดเวลานะไม่ใช่กลั้นใจตลอดไม่สงบหรอกแต่กลั้นนิดนึงเนี่ยคือเป็นการรวมจิตเข้ามาไม่ได้จงใจให้จิตรวมด้วยนะกลั้นแล้วก็รู้สึกตัวอยู่มันจะสงบเข้ามาเองพอสงบเข้ามานะก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะต่อไปเลยด้วยจิตใจที่สงบสบายนะหลงแล้วัครบ มีอะไรที่จะชี้แนะเพิ่มเติมไหมครับที่ทําอยู่ใช้ได้นะทำอยู่รักษาศีลให้ดีก็แล้วกันกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าการอย่างนี้สิอย่างเนี้ยเสียงดังฟังชัดถูกใจหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาสองปีแล้วค่ะแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะด้วยเห็นกิเลสไหมรู้สึกเยอะเยอะเจ้าค่ะอรู้สึกไม่ร้ายร้ายกว่าที่คิดทีนี้ ช่วงนี้ทําไมมันรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วก็จิตใจมันถอยอะค่ะมันถดถอยมากจิตมันมีโทสะค่ะแล้ทีนิ้พยายามเข็นตัวเองเข้าห้องปฏิบัติทุกวันนะคะอดทนไปเข็นถูกแล้วต้องเข็นเข็นเข็นเกือบทุกวันเลยค่ะนั่นดีต้องทนเอานะแล้วนานๆจิตมันจะสงบสักครั้งเนื้อค่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์โน่นอะอย่าอยากสงบนะมีหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติไปสงบเพราะปฏิบัติไม่สงบเพราะปฏิบัติ เราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติส่วนจะดีจะไม่ดีก็ช่างขอให้ได้บูชาท่านเท่านั้นละพอแล้วเจ้าค่ะถ้าทำได้อย่างนี้นะสงบเร็วแต่ทําทำด้วยความอยากอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ไม่สงบหรอกต้องเข็นไปเรื่อยๆนะเจ้าใช่เขีนเรื่อยๆอย่าท้อใจอย่าท้อใจ แล้วจะไม่ค่อยชอบเดินจงกรมเลยเจ้าค่ะเดินได้แค่3มนาทีห้านาทีก็เลิกเลิกก็ไม่เป็นไรแล้วนั่งเอาไม่ชอบนั่งอีกจะชอบนั่งมากกว่าชอบนั่งกดีนั่งรู้สึกตัวไปนั่งพุทโธไปหายใจไปรู้ทันจิตไปแล้วเวลาจิตสงบนี่มันสงบแป๊บแป๊แป๊บเดียวเจ้าค่ะแล้วก็หายไปเลยสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยากให้สงบก็รู้รู้ทันจิตไปอย่าไปบังคับมันจิตไม่ชอบให้ใครบังคับ นิสัยก็ไม่ชอบให้ใครบังคับรู้สึกไหมรู้สึก<อ>เจ้าค่ะใครมาบังคับกูสู้ตายเลยสู้ค่ะสู้จิตเราก็สู้ยิ่งกว่าเราอีกใช่ค่ะจิตตัวไม่ชอบมันเยอะเจ้าค่ะนั่นแหละจิตเราไม่ชอบให้ใครบังคับนะงั้นเราอย่าไปบังคับมันไม่ลงหรอกค่ะเพื่อนๆที่อยู่ ใ, ใกล้ๆเขาก็บอกว่าเป็นคนโมโหเกง่งต่อไปเขาจะชมใหม่ว่าสวยกว่าเก่าอ๋อเจ้า่ะแล้วนู้ถามแทนเพื่อนได้ไหมเจ้าค่ะเพื่อนอยู่ไหนล่ะปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่เจ้าค่ะเปลี่ยนกัน เปลี่ยนเวลาการเข้าทำงานใครว่างก็ไปปฏิบัติเจ้าคะ่ะไหรอเอาจะถามอะไรเขาบอกว่าช่วงนี้เขาแบบว่าจิตเขามันรวมบ่อยสงบบ่อยแล้วเกิดแต่ความปิติปลาโมดอยู่อย่างงั้นนะเจ้าคะ่ะให้ญญรู้ว่ามี ป, ามปิติถ้าพอใจในปิติพอใจในความสุขให้รู้ว่าพอใจให้รู้ตัวนี้นะให้รู้ทันว่าพอใจ mm hmm. ถ้าไม่รู้ทันจะติดสมาธิเขาบอกเป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีเจ้าค่ะให้รู้ที่จิต แ้าจิตยินดีพอใจในความสุขความสงบนั้นให้รู้ทันเจ้าค่านะเห็นแหมเวลาถามไม่รู้จะไปทางไหนไปที่จิตนี่แหลคะครับกรามนมัสการค่ะออพอดีปฏิบัติมานานนะคะก็มาพัฒนาเร็วขึ้นเมื่อได้ฟังของพระอาจารย์นะคะ่ะธรรมดา <laughs> <laughs> พัฒนาเร็วขึ้นแล้วก็คือฟังซีดีมาประมาณปีกว่าๆแล้วเกือบสองปีแล้วะคะ่ะ ทีนี้ที่ติดก็คือว่าทุกมันห่างจริงไม่เคยมีทุกเลยฮะทุกน้อยมากแล้วก็สุขมาเดือนประจํา ด, ดูกายให้เยอะขึ้นค่ะนะพอพอสุขไม่เดือนมากก็เลยจะเตือนตัวเองตลอดว่านี่คือความไม่จีรังนะแต่แต่ตอนนี้คือติดก็คือว่าเอ๊ะทําไมมันนิ่งเฉยนี่แหละมาดูกายให้เยอะขึ้นให้ <laughs> ดูกายเยอะขึ้น<อ>กายเนี่ยมีแต่ทุกนะดูไปเรื่อยนะ ก็เแบบเหมือนเอ้ทําไมเราไม่พัฒนาอะไรเลยมันติดน่ะสิมันติดนิ่งๆอยู่ติดนิ่งนิ่งมากเลยค่ะตรงนี้นต่อไปนี้ดูกายไว้พวกที่ติดนิ่งจิตนิ่งแล้วนะอย่าไปดูจิตดูจิตไม่มีอะไรให้ดูก็นิ่งๆไปดูกายเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายกินข้าวเห็นไหมร่างกายขับถ่ายใจเราเป็นคนดูไปด้วยค่ะไปฝึกอย่างนี้นะ อย่างอย่างกรณีเดินจงกรมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะแต่ชอบนั่งเหมือนกันนั่งก็ดูนั่งร่างกายหายใจเราเป็น ค, คนดูแต่มันจะติดตรงว่าคือเหมือนพอพอจะนั่งปุ๊บเนี่ยมันผ่อนไปหมดมันก็จะเบาโล่งไปหมดเลยคะเอองั้นไปเดินกวาดบ้าน <c oughs> ไม่เดินจงกรมไปเดินกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้าน <c oughs> จัดบ้านไปทํางานไปด้วแล้วดูร่างกายทํางานไป อันนี้ก็ทำทั้งทั้งวันเหมือนกันนะคะคุณอา<พ>อจารย์เดวไปทำเอาจิตไว้อย่างนี้ไม่ได้นะทำ <laughs> ทาก็ดูไปทั้งวันเหมือนกั น, นค่ะนี่ไม่ได้นะมันหลง<ม>พยายามดูภายร่างกายหรือไม่พิจารณากายเลยค่ะร่างกายนี้ประกอบด้วยโครงกระดูกอยู่ข้างในนะดูร่างกายนี้เป็นกระดูกดูอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้ค่ะจะดูแลจะเห็นชัดหรอกไม่ทราบว่าแบบมาถูกมาตรงประเด็นไหมคะ ถามตรงประเด็นดีแล้วตอบตรงประเด็นแล้วนะดูกระดูกให้มากๆค่ะ<า>กลราวขาเพิ่คุณต้องดูกายนะ <c oughs> ไปดูจิตไม่ได้หรอกมันนิ่งไปหมดหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วส่งการบ้านอยู่ในสร้างวิมานครอบตัวเองนะค่ะแล้วก็ให้ติดนิ่งก็เลยให้ไปกวาดบ้านกวาดพอสักพักนึงต่อไปก็พอจิตไหลไปคิดก็ก็รู้พอรู้ทานปุ๊บก็ดับ ก็เห็นแบบนี้ยบ่อยๆดีสิแล้วยังไงต่อล่ะคะหลวงดูไปได้ยังดูไม่พอล่ะคไม่ก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้ไม่เที่ยงก็จะพากต่อเรังคับไม่ได้เออตัวนั้นมันฟุ้งละผิดเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรแรกๆไม่เป็นไรนะแต่อย่าภาคประจําเป็นคิดอย่างเงี้ยเหรอคะมันเป็นคิดถ้าเมื่อกี้ใจสั่นเยอะๆก็เลบอกอุ้ยมันเป็นอนัตตามันก็จะคิดของมันอยู่เรื่อยๆภาคตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ ยังยังทําได้อ่ะคะแรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะถ้าภานาละเอียดขึ้นแล้วภาคไม่เลิกใจฟุ้งซ่านลเวลาหนูมีโทสะเนี่ยหนูก็จะพอแสดงอาการไปแล้วปุ๊บหนูก็จะเห็นปุ๊บจะเห็นใจก็จะเห็นว่ากายมันยิ้มเลยที่รู้ทันว่าอ <beaten. S 1> ไปเกิดโทสะขึ้นนะคอให้รู้ให้ไหวกว่านั้นหน่อยก็ให้รู้ตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะแล้วหนูมีอะไรต้องทําอีกหรอคะหลวงพ่อดูกวาดหรือดูจิตอะคะ จิตไม่ต้องจิตเข้าฐานไหมจิตถึงฐานไหมขนาเนี้ยตอนนี้ไม่ถึงค่ะให้รู้ฐานตัวนี้นะจิตต้องถึงฐานถ้าจิตไม่ถึงฐานปัญญาไม่เกิด่ะเราต้องนั่งสมาธิไหมคะหนูเลิกนั่งสมาธินานเลยอย่าเลิกสิใจฟุ้งซ่านไปะเรากลัวออกจากวิมานไม่ได้ก็เลยไม่นั่งไม่ไม่ติดอย่างแต่ก่อนหรอกนะมันจะไม่ค่อยสงบเนื้อซ้ำไปลงมานั่งนั่งสมาธิเดินจงกลมได้ปกติได้ทําได้ละนะ ไม่ันใจจะฟุง้งซ่านไป บ, บางค น, นที่ติดเพ่งติดสมาธิอยู่หลวงพ่อให้เลิกนะแต่เลิกชั่วคราวหรอกพอมามีสติมีอะไรขึ้นมาแล้วก็มาทำต่อไม่จริงหรอกนะคนนี้ข้างหน้าข้าหน้าคตสุดท้ายแล้วนมัสการค่ะครั้งก่อนหลวงพ่ อ, อ, อบอกว่า ค, คือด้วยความที่พล่องเรื่องสมถาถไปอะค่ะครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ค่อยมีกำลัง มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่มีกําลังอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อก็เลยอยากได้คําแนะนําแล้วก็เพราะช่วงนี้มันเฉยเฉยมากแล้วจนมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยไปกว่านี้นี่สงสัยเฉยไม่ได้นะภาวนาเหมือนไฟกําลังไหม้บ้านเลยเฉยขี้เกียจดูหลังคาไหม้อยู่ดูฝ้าไหม้อยู่ไม่ได้นะมันมันไม่เหมือนขี้เกียจอะค่ะหลวงพ่อมันมันมันรู้สึกเหมือนไม่รู้จะทําไปทําไมเนะะี่ยไม่ได้ต้องทํา ให้รู้ทันว่าใจมันเฉื่อยไปค่ะยังไงก็ต้องทำทำยังไงให้มันไม่เฉื่อยอะคะให้รู้ทันใจที่เฉื่อยเราถูกความเฉื่อยครอบงาให้รู้ทันเข้าไปตรงๆที่ความรู้สึกเฉื่อยอะค่ะถ้ารู้เข้าไปตรงๆมันก็เด้งออกไปเองเราถูกความเฉื่อยนียครอบงาใจมันเพราะอะไรอะคะมันมันครั้งนึงมันเคยแบบมันเคยดีมันเคยมันจะคิดดอกเบี้ยวอบ้างสิดีมานานละ ก็ทเมันกําลังสอนธรรมะนะว่าแกบังคับฉันไม่ได้หรอกใช้แล้วมันหลอกตัวเองด้วยค่ะหลวงพ่อว่าคือพอมันเฉยปั๊บมันก็หลอกตัวเองว่าโอ้ก็มันบังคับไม่ได้เอแล้วก็ดูต่อค่ะไม่เลิกแล้วมันช่วงนี้มันเหมือนมันมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนใจมันไม่เอาธรรมะมันมันไม่ได้ถึงกจะทิ้งนะคะหลวงพ่อแต่แบบอย่างอ่านหนังสืออย่างเงี้ยพออ่านมันก็จะแบบอ่านทําไมแบบ รู้แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คือรู้ว่ามันไม่ได้อะค่ะหลวงพแต่ไม่รู้จะทํำยังไงให้มันแหละฝืนใจเอาต้องฝืนใจนะอย่าถอยค่ะแล้วถ้าสมาธช่วงในในสภาวะที่เฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะใช้อะไรดีคะเฉยเฉยใช้สมาธในในรูปแบบในเฉยทําอะไรล่ะปกติที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นพุทโธค่ะพุทโธไปสิพุทโธไปเรื่อยๆ่วยขึ้นมาเพราะเราคิดนะอ้าพุทโธไปไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นม่นไม่เฉยหรอก อย่าทิ้งสมถะนะทิ้งสมถะเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ค่ะอะหมดแล้วละ่ะเชิญ